อยู่มันคัาบแคบไปด้วยสัตว์หนั ม, มันเหมือนขอบดงโลกโอ้ทุเรียดจริงๆนะสรุปสังเว็แต่ก่อนผมก็ไม่เคยนะมาปฏิบัตินี่สิอ๋อทั้งด้อาศาจาย์ตุพุตเจ้าขอบดงมันหนักสัตว์ออกจากนี้ไปนั้นออกนั้น เวลาเป็นขอบดงมันเป็นขอบเดียวสามพบเป็นที่ทองเที่ยวอยู่ในวงขอบดงสามพบเที่ยวไปได้หมดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเคยตกนรกอยู่นตั้งแต่เป็นจัดทั้งหลายทั่วเมืองเมืองก็จัดทั่วไปเหรียญมันจะไปไหว้นาไงนั่นก็ต้องให้ทํากรรมแบบไปตกนรก ตอนที่ว่าปู่เพลนิวาสารวิญาณ น, นี่อันนี้ก็แต่ก่อนเราก็ไม่เคยได้คิดอะไรมากนั่นกระเทือนเข้ากระเทือนเขา น, นลยก็ลยกระเทือนจุดเดียวต่อมาก็เทือนออกไปกว้างออกไปกว้างจุดเดียวกิน้องเราเนี่ะจะหมายถึงอะไรอย่างโบเจ้าเหมือนกันโอ้โหก็ พิจณานอยู่เฉพาะอุเพนิวะของพุกผมก่อนฉะ น, นั่งกันจะดูปาตยานนันนี่งกระจายแล้วทีนี้พอกระจายไปหมดแล้วทรงเห็นด้วยความหลุดสังเวจทั้งเขาทั้งเราแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุนั้นค้หนหาสาเหตุที่พาให้เป็นริงมาเจอต้นตอมัน หลักแก้วมันพาทรงตัวพืชมันพายเกิดวันนี้เราบินมันไม่เครื่องก้องยู่น่วนกลางวันแล้วนีว่ก็ฝึกกันงคืนเลยนึ่งสิบห้านาทีลืมลืตซะตอ น, นถึงหมู่บ้านรวมแล้วกว็เร็วชั่วโมงกว่าเวลาลงมันลงง่ายปับปับป๊บป๊ปเวลาขึ้นมันนานกว่านั้นนะ เพรามันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเลยจนกรทั่งถึงมุมบ้านเวลาไปก็ขึ้นเรื่อยๆเลยมันเป็นเดินไปเดินไปเนินไปเดินไ ป, เ, นนไปเรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นเขาจริงนะเวลาไปถึงถ้ำที่เราจะลงถ้ำโอ้ที่ไหนได้มัน <c oughs> อยู่บนภูเขาจริงมองลงบนูหนัหมูมันเป็นหน้าผาสัตเยอะนะฟูจา ก, ก่อน เก่งปองหมูเนาะเยอะกวางเขาว่ามีเข้าไปลึกไปนู้นนึงแถวนั้นมันไม่ออกมานาะพรไก่ป่าเนี่ยเต็มไปหมดหมูเก่งมากหมูตัวเดียวก็มีหมูป่ากเป็นฟูงก็มีไปก็ เมื่อในชั้นอย่งนั้นเนีะไปแบบอดตายนละพังเลยรวมมาบินตบะบะชั้นอย่างนั้นเนาะไ ป, บบลไปมมลกลับขึ้นไปทธรมันอย่างถึงเร็วมันสิบเอ็มงครึ่งยังถึงเร็วส่วนมากมันน่านจะเที่ยงละนอนมาังดีตั้งแต่สว่างพอเป็นวันใหม่นกคล้องจีแ้แจกระบอกไปถึงหมู่บ้านกระบานเลย อเอาไปปิดบาตรจัดล้างบาตรล้างอะไรเรียนรู้นะวาสาพายบาตรป่าขึ้นมบนเขาแล้วขึ้นเรื่อยเหนื่อยนั่นแหละมันช้าตอนขึ้นช้ากว่าตอนลงนะเพราะมันขึ้นเคลื่อนเรื่อยไม่หยุดเลยตลอดถึงหลังเขาแล้วก็ลงลงไปตามหินแตกลงไปนู่นไปในทํา เวลาจมาก็ขึ้นนะขึ้นมาหินแตกมันขึ้นเมือกไอเสือมันก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี้ยมันก็ขึ้นไปตามเนี้มันก็นมันขึ้นมาแล้วเป็นหน้าผ า, ย า, ผ า, ยาอย่างนี้โอยหน้าผามันงสูงกวหลังสะลานเป็นไหนไหนมันหน้าผาตัดไปไกลซะด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาไอพวกเสือมันจะขึ้นไปทางนี้ลงไปทางหมู่บ้าน ขึ้นไปทางด้านนั้นมันต้องมาเนี่ยมาหินแตกขึ้นมานี่แล้วขึ้นไปหินแตกที่คนขึ้นคนลงรอยมันขึ้นมันลงขึ้นมันเป็นทางอย่างนี้นะมันเหมือนกล้นกระทะมันปีงขึ้นปีนลงขึ้นมันคือมันนานแสนนานไม่รู้กี่ปีกี่เดือนมันเป็นกลับเป็นกันไม่รู้ของมันมันจนเป็นทางมังขึ้น อกเสือนั่นมันขึ้นปีนขึ้นปีนลงมันเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้พอดีรวมอกมันไม่กว้างลาางักษณะนี้เสือใหญเ่เป็นเสือดาวก็ขึ้นได้ลงไดมันยังมีรอยมันอยู่ที่เราไปก็ดีรอยมันขึ้นมาหนี นี่เขาไปตามส่งเขามาพูด้กลัวเวยสั้งไปในไล่ลงท่านจะมาอยู่ไงนี่เขานี่ทางมันรัเนี่ยเ่านั้นแหละพูดอย่นี้มันจะพูดให้เกิดความก้าหารมันพูดให้ให้กลัว น, นี่ทางมันมานี่มันก็มาตรงนี้นว่นี่ร้านแค่เลยกๆนั่งก่อนนี้อย่งนี่ มีหน้าทานี่มีก้อนเหินอย่างนี้ก็ทําแค่อะไรไปนี่นอนมันรอดมานนี่ก็ได้ขึ้นมันขึ้นมันก็ขึ้นได้ ม, มาได้สองทางรอดแคร่เราเราขึ้นมานี่อาะนั่นมันก็ขึ้นมานัมากปลาท้าเรานั่นแหละขึ้นมานนเห็นรอยมันอยู่เขาไปส่งท่านมาอยู่ทำไมาที่นี่เฮ้ยนี่ทางมันขึ้นลงอยู่นี่ เป็นประจํานียมาพูดให้กูอะไรหรืาทางันก็ทั้งเรากันย้อนและมันก็สัตว์เราก็คนห่ะมาพูดอะไ ร, รไปกลับได้เปล่ถึงส่งไปถึงยังไม่ถึงจิวห้านาทีอะไรครับตไปอาศัยแคร์นานแล้วไม่กินนะน้ำมันก็ไม่กินเมือกขา้าไม่กินข้าวแล้วน้ําก็ไม่กิน น้ำร้อนน้ำชาอย่างมาพูดเลยแต่ก่อนไม่มีแม็กอยู่พราแมวจานก็ไม่มีน้ำร้อนน้ำชาเพิ่งมามีนี่มาอยู่วัดป่าวันตานวันมากขึ้นมากขึ้นเลยมีเฉยแต่ก่อนไม่มีนะน้ำจรแล้วแล้วนะ่ะผมเองไม่เคยสนใจกันน้ำร้อนน้ำชาที่ไหนแต่ไหนจะอะไรามาอยูคนเดียวจริงๆ แล้มันจะไปประมาทได้ยังไงเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเอ็นต่หลับหลับหนี้ีกเดียวเท่านั้นนอนก็นอนก็เหมือนกับมีสติรักษาตื่นไม่ไที่สุดที่นั่งภาวนาก็ไปดูป่าเสืออยู่วไงมันขึ้นมันลงโอ้เสือชุมมากนะแถวนะั้นเวลาไป พาไปถ้อยของว่าไม่กี่วันนี้ถามท่านอมที่เป็ น, นหนัวงนายนั้นเสือแถวนี้มีไหมมีอยู่มัอนตะก่อนนะมโอ้หมดแล้วไม่มีเลยไอ้เจ้าหายไปไหนวะอาจจะยินมมาใครฆ่าที่นี้นก็ไม่ได้ยินมเลโอ้เขาจะมาบอกไหมไม่มีะนั่นจริงมันน่าแปลกนะ พ, พวกเนื้ออะไรก็ไม่มีหมดจริงจริ ก่อนโผลเสือเนื้อชุม่มมากแถวนั้นคือเนื้อชุ่มทนเส อ, ก, อสกินเนื้อมันก็อาศกินเนื้อเพรานั้นมันก็ลงไปหาหมู่บ้านเนาะไปกินสัตว์บ้านก็พวกวัวพวกควายส่วนมากมันกินอยู่ในป่ามันกินสัตว์กินเนื้อพวกหมูพวกเก่ง เราอยู่นั่นก็อยู่กับป่ามานอย่างเราอยู่มั น, นยังไม่เหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ท่านอยู่ตะวันมันยิ่งมากกว่านั้นเพราะท่านผ่านมาถึงสี่สิบห้าสิบปีแล้วเราถึงได้ไปเที่ยวอย่างท่านมั่นป่าจะเป็นยังไงเราก็ดูอยู่หมู่บ้านมัน ขยายออกมาเท่าไหร่แล้วระยะสามสี่สิบปีนะแล้วพวกสัตว์พวกอะไรไม่ก่อนน้อยลงไปน้อยตอนเราอยู่นั่นกลับมาเดี๋ยวนี้ฟังดิไม่มีเลยน่ะเป็นยังไงเดินไปตามป่าเป็นทางทางเพราะเป็นด่านเป็นด่านเพราะรวมตัวนี้กล้าวันนี้ก็ดงกับป่าหมดเดี๋ยวนี้เป็นสวนเป็นไร่เป็น น, น, น, น, นั่นเขาหมดเลยนี่จะวางเลยมันก็เหมือนดงมันตานี่นี่สัตว์เสือมีที่ไหนเนี่เนื้อมีที่ไหนช้างมีที่ไหนไม่มีกระทิงวัวแดงมีที่ไหนเนี่ยแต่ก่อนเป็นป่าสวนมันแล้วนั่นก็เหมือนการมันก็แบบเดียวกันนี่มันเปลี่ยนไปหมดไปเที่ยวภาคไหนก็นเราไปในภาคดิสารที่ป่าป่าลูกเราเคยไปหมแล้วกับก่อน การไปเที่ยวนี้มันก็มันก็เปลี่ยนอย่างนี้แหละเหมือนกันหมดอย่า ง, างดงสีชมพูนั่ก็เป็นทุ่งเป็นสวนเขาเป็นทุ่งสีชมพูดงมอทองเป็นทุ่งมอทองนั่นมันมันเปลี่ยนอย่างนั้นในเรื่องพวกอนุรักษ์ป่าไม้เต็มไปหมดเนี่ยทัางเอออนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าไม้พวกนี้และพวกเป็นยักษ์โอ้หนักด้วยจริง อตออนีอ้วิชาฆ่ากิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรม สร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นขแขนงขแขนงขึ้นออกมาเช่นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้นต้นย่อมออกจากรากเหง้าของมัน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 วิชาธรรมก็ผิดออกมาจากนั้นเป็นขแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไปเลาะเพราะพิ์ก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้เรียกว่าชำละวิเลสบั้งประกอบความภาพเพียนบ้างนะถ้าพูดตามหลักความจริงก็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 เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารกิเลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการหุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือดำเนินมาก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นสยัมผู ทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลําดับลําดาจนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระไถ่เต็มควรแก่ความเป็นศัสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้นำธรรมในพระไถ่นั้นออก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 คือเราศึกษาเพื่อความจดจําแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกําจัดทิเลสออกจากใจเราจําต้องได้ศึกษารเร่าเรียนก่อนไม่มากก็น้อยดังอุปชาท่านสอนกรรมาฐานห้าก็คือวิชาห้าประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราตั้งหลายได้ศึกษา เป็นเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเกษาโล ม, มานาขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันดันตะโจดันตานนขาโล ม, มาเกษาเรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังสลุก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 แล้วกระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดต้นพางร่างกายด้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บาเพ็ญทั้งหลายนี่ะ ว, วิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นิวิชานี้ได้มาจากความจดจาจากอุปชาอาจารย์หรือครูอาจารย์เสียก่อน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 วิชาธรรมจรึงเป็นวิชาประเภทนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายคําว่าโลกทั้งหลายนั้นได้แก่สิ่งที่ท่านท่านเรียกว่าอะธรรมคือสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ธรรมนั่นแหล ะ, และทำผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ เนื้อสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมการบําเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตน แม้จะเรียนมาจากปริยัติหรือศึกษามาจากปริยัติแล้วกว็าตามกิ่งแขนงที่จะแตกออกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วงแทบถึงวงฟ้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันกิจใจให้กลายเป็นคนใเรื่องนราาวกลายเป็นคนละสัและส่วนออกไปจากใจไม่คระเร้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเหนียการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อย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 ให้ได้อย่างใจหวังศรัทธาความเชื่อเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นลําดับลําดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียกตะกาแต่ล้มลุกคลุกครามไปตามความจดความจําความเข้าเข้าใจ ในตำรับตำลาหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นความเป็นประเภทน่ะเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียงไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็ก ด, ดึงดูดความเพียนให้หนักแน่น เข้าไปโดยลำดับหนึ่งนี่จึงต่างกันต่างกันไปโดยลำดับลำดาแล้วที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงผลขวัญในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้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 เพื่อความเป็นสาร ะ, ะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นสาร ะ, ะของโลกขึ้นมาทรรมจริงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลายและสิ่งที่ไม่ใช่ทำออกเป็นค่าสึกกันส่วนมากอะธรรมต้อง เป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ทำรรมีก็แฝงเพียงไปเป็นแต่เพียงว่าเพื่อแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆเนี่ยที่มีกําลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นพายในจิตใจของสัตว์โลก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 ม่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมดไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนระสัตว์ละส่วนนี่เพราะความกลมคืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในกิจใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงมีท่านให้นามว่ากิเลสคือเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้ และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลาต้นของตนและต้นไม้นั่นก็อับเฉาจนกระทั่งถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจานวนมากจิตใจของเราก็เสียคนได้มเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมีกำลังมากแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลำดับกำลดา ไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือที่เราสร้างตัวเองภายในจิตใจของจัตตุโลกนี่แหละนี่แหละท่านที่เรียกว่ามันเป็นเราไปเสีหมดประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งๆที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นน้ำกิ่งก้านสาขาของมันอะไรของมัน อวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันเท่งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้นั่นเป็นอาหารของมันไปตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยต้อนอาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันวิเลศมันสร้างตัวของมันยังชีพคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลําดับําดาจนเป็นกลับเป็นกันเป็นกี่ล้านกับล้านกัน ก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองอยู่ภายในจิตใจจิงไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลสเป็นเช่นไรจิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดใครล่ะจะทราบได้ก็มีพระพุทธทเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทรง บำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพติญาณหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า<ม>แล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยมาความภาคความเพียนไม่ลดถอยน้อยลงเลยนี่คือการบำเพ็ญเพื่อกําลังทางความดีทั้งหลายที่จะ ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระไทยจนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยสยัมภูด้วยความรู้เองเห็นเองนี่ <c oughs> เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ด้วยความรู้ชัดเจนมากนี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นค่าสิกต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาฝากนั่นแหละเป็นค่าสิกต่อต้นไม้ ้นได้ทำละออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นข้าไถยหรือพระกิจบริสุทธิ์ล้วนว น, นั่นแหละที่นี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาจหามชามชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลาย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 ส่วนอยากส่วนกลางส่วนนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายกิจใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยชิ้นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ทันกับกุลมายาของกิเิสซึ่งเป็นเหมือนกาฝากหนันแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์เมื่อเป็นสรณะของตนได้โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็น สาระะของโลกเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของโลกเป็นแนวทางให้โลกได้เป็นคติเรื่องท่ามสอนโลกให้ยึดเหนี่ยวเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ <c oughs> นี่เราพูดถึงหลักธรรมชาติของจิตจริงๆนั่นะเมื่อมันคลาเข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ที่กั บ, ก, บกาฝากคือกิเลสแล้ว เราไม่มีทางเราจรึงไม่มีทางทราบได้เพราะละเอียดพอๆกันจะจิกเนื่องจากเป็นนามมาทําเหมือนกันจะทําอะไรจริงเป็นการกระทบกระเทือนพิริศเยอะเสียหมดความทุกข์ความลําบากก็กลัวตัวทุกข์ตัวลําบากจะประกอบความภักเพียนนิะเกียรติกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลําบากความลําบากนั่นอะ ถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสนี้มันเป็นการกระทบกระเถือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลําดับลาําดาและในขณะเดียวกันเพราะความสําคัญของเราที่ถูกกิเลสกืนอย่างจงมิตรก็กลัวความกลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสมาเป็นเหล่าอยู่แล้ว เลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกกิเลสกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแยกจะแยกสิ่ ง, งนี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยกระหวา่างกิเลสกับธรรมหรือระหว่างกาฝากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัดละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้น เหวี่ยชาธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังแล้วอุบายต่างๆในการบำเพ็ญในการแก้ไขถอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเหล่าเป็นเหล่าเสีย ความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นชื่อว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียสิ้นนี่เพราะความรู้ความถนัดของเราไม่ถันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญ ต, ต, ต, ตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้ก็ ค่อยเข้าใจไปโดยลําดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้างเป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลําดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะตันหันแหละไม่ใช่เพื่ออะไร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 ในขณะที่สงบตัวนั่นจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ซะได้ให้ได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากจิตต้องเราไปจิตต้องเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พายฟุ้งซ่านนำคานจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นค่าสิทธิอานาน์อันหนึ่งอันหนึ่งระหว่างเรากับค่าสิทธิ์คือกิอดเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยๆ ก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดทมก็ละเอียดขึ้นที่เรศก็ละเอียดประตตามกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอี น, นี้เมื่อจิทของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับ การแสดงออกของยิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนยิเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมาของตัวเองเช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วนะ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 มากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงในนั้นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคาตันหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงธรรมาชาติที่เป็นวิสภาคกันแต่ก่อนไม่รู้กลมกลืนกันไปเลยทันกันไปเลย mm. เมื่อปฏิบัติเข้าถึงจีตขั้นละเอียดพอสแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่ จิตเราแสดงราคะคือความกําหนัดในสิ่งนั้นแล้วไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่มรู้เริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นจริงๆว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่แล้วพิจารณาไกรกรองด้วยปัญญาก็ทราบไปโดย ด, ด, ดําหับธรรมดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อย ตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดออืแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันห้าของตัวเองอว่ามันเป็นตัวพิษตัวภยัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันเนี่ยเป็นเครื่องมือนะมันก็เริมทราบตัวเบี้จริงๆไม่ใช่ขันนะขันไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นําไปใช้ เราก็นําขันธ์นั่นเข้ามาเป็นเครื่องมือของทำด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องทำแก้กันนั่นมันสําคัญมั่นหมายเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ใช้สัญญาความจดความจําที่พอจะแก้กิเลสประเภทนั้นได้ด้วยความจํำของเราเพื่อสัญญาของเราจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมานั่นวิญญาณความรับทราบมันรับทราบเรื่องอะไรอ่ะ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 รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นทว่าเติบโตสติไม่เค ย, เคยขาดบัคขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดปัญญาสิ่งนอนจมอยู่ภายใน จ, จิตใจเหมือนกับชุงตั้งท่อน ก, ก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นปลายในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไร เป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจพิจารณาละ่ะนะมันก็ต้องในพิจารณาเมื่อพิจารณา้าไปแล้วมันก็ต้องรู้รู้ไปโดยลำดับหนาตามขั้นของปัญญาซะก่อนนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทำลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลำดับลํหนาอย่างนี้แหะท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรม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 เข้ามาโดยลำดับขึ้นมาโดยลําดับลําดาดางนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้าดังท่านผู้ดําเนินในขั้นสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ท่านเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนันแต่ก่อน มีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจกี่ข้ามตัวท่อแท้อ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและกล้าวไม่ออกเมื่อทําได้มีกําลังแล้วทําก็ก้าวได้เหยียบหั ว, หวหกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไปตัวท่อแท้อ่อนแอตะกอที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทําลายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มีแต่จะเอาจะเอาท่าเดียว<ะ>ถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่น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 ประเภทของกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญการแก้ไขการถอดถอนจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับพระผู้ปฏิบัติและสถ า, านที่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวเราดูที่ในตํำรับตาลาข้างพุทธกาลมักจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผา หาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปียกเปียกสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เกียจกีการหรอกเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความคิดหายไ ป, ปวงได้เมือ่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนั้น นางตะ ก, กี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาปอนทิจเทพนี่มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม่ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตามเมื่อยังไม่ถึงขัน้นปัญญาจะก้าวเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่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 ความเพียรของผู้อยู่ในสถานที่ไม่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทมีเป็นความเพียรตลอดเวลานี่อันใดก็ตามขอให้เราได้บาเพ็ญขอให้เราได้ดาเนินเถิดเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในป่าในเขาสถานที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวและเป็นสถานที่ตั้งแห่งความเพียรโดยลําดับลาดานนี้พระพุทธเจ้าทรงดาเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดาเนินมาแล้วทั้งนั้นด้วยอย่างนี้ การบำเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำเหมืองผาจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าลูกขมลเจ้นานางเป็นต้นนี่นั่นนี่แหละเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเปลี่ยนของเราเราจะเห็นได้เวลาเราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดา และมาอยู่กับหมู่เพื่อนความขี้เกียจขี้ค้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยน่ะความเพียรไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนะมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจมโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทําเราให้ล่มจมไปไปขอให้ในช่องในโอกาสเพราะกิเลสมันมีแต่ช่องมีแต่หาโอกาสจะทําลายเราอย่างเดียว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 เสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขาร น, นั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันใช่สังขารความปรุงว่าเสือก็เกิดขึ้นที่ใจทั้งทั้งที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองน่ะแล้วบังคับจิตให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องตัดอะไรที่จะเป็นโทษแก่จิตใจโทษแก่ความสงบบับงคับจิตให้อยู่ในในอดในธรรมเมื่อจิตอยู่ในอดในธรรมอดธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตจิตย่อมปลอดภยัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลย อ้าวที่ีิวาลที่หลังที่จากนั่นแล้วแม้แต่เสือกะ็ะเขมกระเขมอยู่ข้างที่อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นกลัวนั่นฟังสินั่นล่ะเมื่อทําเข้ารักษาใจแต่ให้กิเลสรักษาใจหลอกวันยั่งคําเสือไม่มีก็หลอกว่ามี <c oughs> อะไรไม่มีก็หลอกขึ้นมาว่ามีว่ามีว่ามีามแล้วเป็นไปตามมันจมไปตามมันไม่มีคําว่าได้ผลเป็นผลเป็นประโยชน์เลยมีแต่เสียโดยแต่เดียวผลลบตามกันไปเรื่อยๆหนึ่งพ้อย เราได้ใช้อจัจใช้ทมเข้ารักษาตัวสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนั่นอุตสาหาธรรมหมุนเป็นเปียวเดียวกันเข้าสู่ใจรักษาใจจนกระทั่งใจมีกำลังขึ้นมาเมื่อใจมีกำลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะ ก, ก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิ ทำอาบูเจ้าโกหกโลกเมื่อไรเมื่อทำได้เข้าสนิทกับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวเอาถึงเสือจะเดินดุมๆเข้ามาตอนมหาเราเราจะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างไม่สะทกสะทานเลยทําไมเป็นยางฮั่นทังดิมันเป็นแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มปุยฉเฉยได้ปฏิบัติแล้วได้ฝึกได้ทรมานตนแล้วถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตาย อ้าวจะตายก็ตายเถอะมันทําไมมันกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายลในโลกนี้มันจะอยู่ขําฟ้าเลยอวะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยมันเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเออเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคําสัตว์ขึ้นมาเก๊กเลยเถอะในหัวใจอ้าววันนี้ทางวิจิตนี่ยังไม่กล้าหาญไม่รู้เรื่องรู้ราวของความกลัวความกล้านี้นี่เมื่อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะ เราไม่สะกทกสะท้านกับนั้นมากิเลสภายในหัวใจของเราเนี่มันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปางเขาไม่เห็นบ้าเป็นทุกข์อะไรเลยนะเดินไปเดินตรงนี้แล้วมันไม่มีเสอือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสือๆๆอยู่เสืออยู่มันหลอกเรามันหลังขามัญนยามันหลอกหลอกไปที่นี่ก็แล้วไปเร่อยกว่าแล้วหนึ่งแล้วนะโกหกเราสองแ้วนะเนี่ยตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยๆไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไป ตลอดเวลาคอยจับผิดกันทีเหล็กเป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้วความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเนื้อกล้าหาญไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาอันนี่กล้หาญอย่างที่ว่านี่แหละเนื้อให้หมดในโลกอันนี้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยเอาแต่เสือเดินเข้ามานี้เดินเข้ามาก็เดินใส่เสือเลยไม่จะทกสถาน จะไปรูปคําหลังมันได้อย่างสบายเฮ้ยเพื่อนทุกเกิดเจ็บจะตายมาหากันเหร อ, อมาเยี่ยมกันเหรอถึงเสือจะกินมันก็ไม่ไม่มีตัวไม่สะทกสะพรานเอาตายก็ตายเพราะความกระหายนั่นเองไม่ได้ตายเพราะความกลัวเลยนั่นเห็นไหมขณะนี้เป็นอย่างนี้กลัวจนตัวสั่นขณะต่อไปด้วยการบําเพ็ญความกระหายฌานไถ่เป็นขนาด น, นั้นดูที่นี่ทำมังวิจ่าไม่จินไงไม่งั้นท่านจะฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานเหรอ อิเลดเป็นตัวทําให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้นท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในปา่าอ ะ, อ, ะอยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปไม่ใช่ไปไปอนอนให้มันกินเฉยๆนะเสือะไปด้วยความเพียรนี่นะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยสติปัญญาด้วยอวยาวุธธรรมไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเฉียงเฉยๆนะไอ้แมนก็ลู่เลยสิ เมื่อเป็นฉนนั้นมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปด้วยลําดับดามเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อเห็นเหตุเห็นผลกันและเห็นคุณค่าตลอดเปงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี้วทาไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเฮอเป็นใจเป็นของรู้รู้แล้วทําไมพูดมาได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แต่แท้ทําไมพูดไม่ได้ปากนี่เอาอย่างนั้นเล พี่จะให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงทํามากงมือเจ้านั้นเป็นโมฆะจริงๆเหรือสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับนั่นคือโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะทิ้งไปเลิกประเสริฐอะไรเราก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายมันแหละจะเป็นอะไรอืมมันได้ผลประโยชน์อะไรยาจะมีเสียที่โสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายพี่ อเอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปล้วก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้ยังไงมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือมือนกันธรรมะอยู่กับคนประเภทปะทะพประมาไม่สนใจกับสิ่งใดเลยนอกจากที่เด็ดตัณหาฉุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชั่วเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออดัดเพื่อทำเพื่อมรุกนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้ว สิ่งใดที่เป็นค่าสิทิ์ต่อคุณงามความดีทําไมเราจะไม่รู้ทําไมเราจะไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอ น, ถอนละ่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทําไมจะไม่แก้กันละ่ะอือหนูเฉยเฉยทำไมการอยู่เฉยเฉยเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายคูบาวาจย์ถามใจผู้อืน่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทกระเทือนการกระทกระเทือนนั้นกิเลสมั น, ม, นมันเกิดมันเกิดขึ้นในขนาดขนาดนั้นมันเร็วที่สุดนะ เรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะเกิดได้วันยั่งคําคืนยังลุ่งกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากหัวใจดวงนั้นต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละมันถึงจะรู้มันอััมนออกอาการในอาการไหนรู้จนกระทั่งเอ้าวฮะมันบริใจบริสุทธิ์นั่นคนมายังกิเลสมันออกแง่ไหนนี่วะทำไมมันจะไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทำลายมันจนทางไม่มีอะไรเลือตลอดถึงโคตรแส้ของกิเลส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 เรากระโจมอยู่กับกิเลสมันพาเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเดินจงกรมก็กลัวแต่จะตายนั่งทำที่ภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นน่ะฮะพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิจิตเมื่อเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละทำไมาจะไม่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ตีให้ มันชำละหรือให้สังหารมันหรืออทําเท่านั้นที่จะทําให้ยี่เดียดได้กระเพื่อนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้เดียดกระเพื่อนได้เลยนี่ยการปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านือสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยเฉยเนื อ, อว่าทําจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันะมันจะตายทีก่กระป๋อจะไม่เกิดจนกระทั่งถึงสมาธิือความสงบใจนั่นแหละถ้าทําด้วยความอ่อนแอต่อแท้ความขี้เกียจขี้ค้าน ท้ายทาแล้วมันจะจมลงในหมอนตอนนั้น่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เห็นโทษของมันในสิ่งนี้พูดกับปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจของเนี่ยสําคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสําคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอํานาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละมันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีในเรื่องของกิเลสนอกจาก ว่ากิเลสมันอ่อนตัวลมจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นแหละมันจะไม่แสดงนี่จะทำละทีสติทำปัญญารมแสดงตัวแสดงรวดลายอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนั่นเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วเขอเป็นอันว่าถูกสังหารกันบันทีกันทีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียบมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือมาเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจโลกได้ยังไง นั่นมันลำบากขนาดนั้นแนะ่ะเรื่องการทำนาขี้เลยถ้าเราว่าจะเอาความลําบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก็จะเป็นเรื่องของกิเลสอีกให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออีแหละไปไม่ไหวว่าอีาาาแล้วนั่นฟังซมมิมันแหละมไหมกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกรยะยนนะระยะมะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมัน ใจมหัวใจเธอหน่ะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นนี่สิมันลําบากจะทําอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเน อ, อไม่ได้เรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งบวชเข้ามาเขามานับปันนับคืนนับ ป, นบปีนับเดือนนับอะไรมืดมืดจ้งแจ้งแม้แต่สัตว์เดานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกันกับเราเขาไม่เห็นมิศีมิสุอะไรและเราจะเอาความมิสีมิสุอะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นทัำสาละ ถ้าไ ม, ไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่ากิเลสตัวมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจแล้วเราอย่าหวังว่าจะเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษถ้ลงในกิเลสบีบหัวใจอยู่แล้วมันก็เหมือนกับ น, นักโทษ่ย้ายจากเรือนจํานี้ไปสู่เรือนจํานั้นย้ายจากเรือนจานั้นถึงเรือก็คือนักโทษย้ายที่ย้ายฐานนั่นเองมันมีความสุขความเจเริญความเลื่อนเ ร, นเรนืที่ตรงไหนอืมพิจารณาเอาสินี่ะการถามเจ้าของให้ถามเัิน กิเลสอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกำลังนักโทษย้ายภพย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็นพ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาข้ามันจะแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามถามมาทําไมอืมอดีต่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นนั่นฟังดิแล้วมันจะไป็หมายอะไร เมื่อแม่หมายแล้วหมดตังมดแล้วจะเอาทุกมาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทําให้รู้สิว่าที่เป็นทุกเป็นทุกในหัวใจนี้ทุกเพราะอะไรทุกเพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็าตามเหมือนอย่างน้ําอย่างเเทียมนาะเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ทุกถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเราถอดถอนมันออกหมดซะหนึ่งมันจึงจะสบายใจก็เหมือนกัน ทำพระพุทธเจา้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะเอาอะไรมาถอนอะไรมาถอนแล้วก็ย่นเข้ามาหานทวงเราอีกถ้าเราถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วให้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานั่นใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานั่นใครจะใครจะใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเรา ด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราพูดตั้งสติตลอดเวลานี้นั่นฟังซิมันเกิดได้เกิดได้มีได้ถ้าเราได้ตักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายสำํำนักปลวกของเราต้องเป็นในนั้นแน่นอนไม่งั้นทำพระเจ้าไม่เยาวศรัวค้าทำกลับไม่ชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมเท่านั้นสอนคนให้มีให้พ้นทุก พ, พ, พ้นภัยหัวใจนี่เป็นสาคัญมากนะร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น เาใสอยู่ในล่างนี่แล้วยังไม่แล้วยังมายืดล่างว่าเป็นตัวงเราอีกแบกหมดเลยฮะเห็น ม, มาที่เด่นมันมันฉลาดไหมยึดเนี่ยุปาทานะทะักนะักขันท่านว่านุ่ น, นออกมาจากใจนั่นเนี่ยยืดใจยืดนะโดยดาํามดับดาบพอปล่อยก็ปล่อยก็ไปปล่อยก็ไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วกลอยก็ไปจนกระทั่งถึงหน้ากแก้วลากฝอยพอนพวดมันออกมาหมดไม่ถามหานิพานถามามาทําไหมนั่ กิเลสทั้นั้นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นอีนูตลอดเวลากะนั่นข้างนี้มีแต่เป็นดมดมแรงแรงคว้าน้ําเหลวไปหมดปากลงไปที่ตรงไหนที่เด็สมันมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภักเปลี่ยนยาปหารไม่รับเลาอุบายวิธีดับเจ้าของอมันเป็น อุบาย้องจของเองเป็นก ร, กรณีพิเศษสำหรับแต่ละคนลคนที่จะหาอุบาฝึกตนเองแก้ไขตนเองคุูบาาจารย์ก่อนยกยื่นให้กบเหมือนกับยื่นให้ทำทั้งรุ่นนั้นเน่ยเจ้าของต้องอาไปจจรณญในเอาคิดแยกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดมาถราเกิว่าประกอบพิชยความเพียรก็ดีทำโดยเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ่งทั้งนั้น ถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพระเจ้าที่ทรงแสดงออกมาเพราะทรงแสดงมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจด แ, แท้ในภายในพระไถ่และความฉลาดแหลมผมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพูดพิณิพิจารณาตามพระว่าดไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็าตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับดาเพราะมีน้ําหนัก พ่อพ่อกันหมดในนามว่าสัวคาจะทรมจาดไว้ชอบไปแล้วนั่งนี้เราไม่พิจนารณาแล้วดิมันถึงไม่ได้เรื่องอะไหรือลาวอะไรอยากให้หมู่เพื่อนด้ลูกได้เห็น ทำทั้งหลายก็แทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนุนสอนหมดใช่หมดพุงไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดิี่ใส่ฟังเลยอย่าสอนอะไรไปอีกสอนหมดพุงแล้วฟังจะว่าหมดพุงไปเลย มันพากันตั้งใจพึกปฏิบัติห้เหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในถ้ากลางหมู่เพื่อนฝูงนั่นแหละคี่ไม่ให้กงังวลไม่กังวลกันไม่คิดเป็นเรื่อนกงนังวลเป็นอันเป็นการทำลายทิฏธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ไดี พยายามเด้เจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหนก็ก็อบอกแล้วอยู่ที่จิตแสดงอยู่ที่นั่นนะ่มมยยนนะมาหมายอย่างนั้นแล้วมาหมายเรื่องนี้ผูนั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายนะ่ะแล้วหลงตื่นเงาวันนี่นะ่ะอืมไม่ใช่อะไรนะ่ะจำให้ดีนะคํานี่อนะให้มันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจอยู่ของลี่ครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหร่ก็ตาม มันจะประกังวานอยู่ในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานั่นเนี่ยอ๋ออ๋อท่านยอมรับกล่าบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองไแหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงอีกด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวใจไฟว่ากันสู้ไม่ได้ เผาไฟมาลการมัรรนมอยู่ไหนไม่รู้นะไฟหัวใจเรานี่ลาคัสกินาโตสักกินามูหกินาความยิ่นใหยม ม, มุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผายิ่่หัวใจไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ขไขตัดแต่งกันเราก็จะแบก อ, อย่างนั้นตลอดไป ไปโลกไหนก็จะแบกไฟไปมันวิเศษอะไรมันสุกที่ตรงไหนเอาสมมุติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบนก็แบกไฟเด่นไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนมันอยเหมือนคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข้มันก็เป็นคนไข่อยู่ในชั้นนั้นน่ะถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปคลางอยู่นู่นมันล้นร้อยชั้นมันก็ไปร้องไปคลาง ขางอยู่ในร้อยชั้นมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้น่ะถ้าถ้าหายไข้เสียดีที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่ไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหาบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหามันบีบบังคับหัวใจถอดถอนกิเลสออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบายเท่านั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาว่าสูงว่าต่ํามันจะไปที่ไหนมันที่ไหนเพราะจิงเหล่านี้มันเป็น เงาทั้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริงๆร้อยเปอร์เซนตก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้นลวนแล้วนั่นแหละหมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วน่ะเห็นไหมตัง้งใจเมียทันบัดทันเลิศเลิศอย่างนี้ให้มันเห็นตรงนี้เข้าไปทีป่พระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพุทธเจ้าได้ไงความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกัน ทุกสิ่งที่อย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงคอหรือคนดออกแม้แต่ภายนอกอย่างนี้เหมือนกันต่างคนต่างไปเห็นแล้วจะวาอะมาค้านการมันยอมรักกันทําก็ยิ่งเป็นของตุงเต็มส่วนไปแล้วลูกก็ไปตรงไหนนไปยอมรับยอมรั บ, บมันพากันตั้งใจคือปฏิบัติ <c oughs> ผมไม่ก็จะได้ประชุมเทศอารมณ์บ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน ธาตุขันก็ยังว่าแหะไว้มันก็แก่ลงไปเห็นไม่ได้ชนาลงไปเลยอย่างนั้นไม้แต่มันขยันขันแข็งนั่นหนามันคงเหมือนแตะกอนได้ยังไงอยู่ก็หมู่ก็เพื่อนก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละการแนะนำการสอนก็แล้วแต่เรื่องธาตุเรื่องขันจะอํานวยให้มากน้อยถธาตุขันไม่อำนวยแล้วยกัเจ้าอะไรมาเทศเพราะธาตุขันเป็นเครื่องมือเมื่อเครื่องมือมันชำรุดแล้วจะอะไรมาใช้มันก็อยู่เฉย เที่ยงกังลำพังใจที่จะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอาศัยขันเป็นขึ้นแสดงออกเพราะนหมู่เพื่อนค อ, อนตั้งอกตั้งใจอย่าให้หนักอกหนักใจนะร้อนแทบลุ่มแทบตายแล้วยังให้แบกความหนาอกหนาใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นกุผมอกแตกนะอย่าว่าจะพูดทะเลาะ ก, กันจะอกแตกนะ นี่ก็อกแตกได้เหมืนอนกันเออสรดปสองเรื่องนั่นเลยสอนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งน่ะมันขัดมันแย่งกันกแสดงให้เห็นชัดว่ากิเลส ก, กับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในว่าในครูบาอาจารย์ทั้งๆ ท, ที่เทศสอนให้ชำระกิเลสตลอดเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่งกับธรรมองครูบาอาจารย์มาเป็นข้าศึกต่อเพื่อนต่อปูงต่อครูต่อตอาจารย์มันยิ่งมันประจาน ขายหน้าความเร็วสามามันตุ่นยางไม่มีอะไรที่ให้อภัยเลยมันขอให้หยาให้ได้เห็นขอให้หยาให้ได้ยินมันเอาละเหนื่อยและ้ะเต็มที่มันพอแล้วตัวนี้กัน